ก็เห็นด้วยคุณสุทธุมเห็นด้วยมาตลอดแต่ก็ไม่กล้าบิเลยตรงเราะวมันลตงตามพื้นที่บ้านเมืองเข า, าบ้านเมือนี้อยู่อย่างนี้ก็ต้องค้องทอย่างนี้อยู่เดี๋ยวว่าในแง่ของอกรรมฐานผมก็คยคุยกับท่านเมื่อก่อนวาวยเฉพาะวันเราเป็นวันกรรมฐานเนี่ ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องภาพพพกรรมฐานซึ่งเมื่อก่อนอย่าง ก, ก็วงพอชญาเนีท่านก็ ข, ขับแต่ว่าท่นก็ขับเป็นแต่ว่าท่านม่ขับว่าว่าชุดอย่างหาบรรพตหรือขับรถเป็นแต่มานี้ผมเมก็เห็นแกขับทอะไรโดยสำคัญในแง่ความชุยเชอย่างจันดากด็พยายามนะ อาจารย์ดาก็จะขับรถปรู้สึกว่าจะานการในการสอบตั้งเจ็ดครั้งจนอาจารย์ศรีที่วัดลาวไปฝึกให้จนเชียหรูมนั่ฝึกให้จารยาวโดเฉพาะพากรากรรมฐานของเรา <c oughs> ที่บทดนังงานเนี่ยค่อนข้างจะช้าหน่อย น, นี่การขับรถนี้ก็อย่างที่ ก็รู้ว่ามาแล้วก็มีกฎเกณฑ์การไหลนอกไฟล์ไหน <c oughs> แต่ที่ผมอยากจะเสริมข้อคิดก็คือว่าเรื่องาภาพวงกรารบานเทิงโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยการขับรถที่สําหรับผู้ที่มาแล้วที่ผมเห็นด้วยก็คือผู้มีประสบการณ์มา ก, ก่อนอย่างนักครูเสติก็ท่านมีประสบการณ์แต่เป็นเครื่องหา ก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งอาจารย์มณทลนี่ก็มีประสบการณ์ในการเกี่ยวข้องกับรถกรลามาตอนอยู่ชิดีฮิวก็นานก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งผมก็รู้สึกนะถ้านั่งทั้งสองท่านนี่ผมก็รู้สึกปลอดภยัยแต่เคยนั่งกับอาจารย์ชยาอจาสุปองผมกรู้สึกหวาดเสียวเมอนกันคือเรื่องของรถเนี่ยนอกจากชำนิชำนานแล้วนะแต่ ม, มันนก็ยังมี อีกอันหนึ่งที่เราระวังแต่คนอื่นเขาไม่ระวังเนี่ยโือเฉพาะที่ราชิกนการหนึ่งคนหรือว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนเยอะมากโอกาสที่เขาจะมาฮิตเราเนี่ยมีมากอย่าประครูวัดพุทธภาวนานก็โดนหนักันะซึ่งในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งนอกจากความชี้สำนานแล้วก็ ข้อกรรมนะที่จาพูดถึงข้อกรรมถ้าเรามีข้อมีกรรมซึ่งคือข้อเรื่องกรรมนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราสังสง ม, มาแต่ปากในอะไรต่างเนี้ยเราไม่รู้ผมได้คิดถึงกฎกติการนะที่ผม เ, เลยอยากจะยิงไว้ก่อนเกาคิดว่าจะฝึกแต่ผมไม่กล้าแตะเพราะนึก ถ, ถึงเรื่องอายุสองเรื่องของ กรรมฐานธรรมะของเราที่ฝึกมาถ้ามันถูกคิดอะไรไปสักพักหรือไอสิ่ที่เราสั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยมันมันพังหมดเลยอย่างจันทชียรนี่ผมก็เคยเบรกแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้อยู่ใก้ชีดมันตลอดผมไปนู่นมาที้ก็แตะเปรกไม่อยู่ก็ไปทำนามกันเรื่อยๆอจึงระทั่งว่ามันมีปัญหาตามมาจากนั้น หมดทั้งปวงมันก็ปัญหาสําคัญอย่างที่ท่านครูว่าคือความอยากของเราเนี่ยมันอยู่ลึกมากนะครับความอยากความอยากกับความเชื่อมั่นในต่างกันดั้นนั้นเองในจุดนั้นเลยไม่ว่าเรื่องอะไรมันดึิมต้นมาจ า, ม า, า ก, วา ก, า ก, จกความอยากอยากเรียนอยากฝึกอยากทำอยากลองอยากแต่มันก็มีเหตุผลนะแต่ละคนมีปัญญาหาเหตุผลกลบุบกรื่นความอยากนั้นหมดเราไม่เห็นมันเปนความอยาก เพราะยิ่งคนฉลาดมากก็ยิงมีเหตุผลแยกยืนในแหลมคมอีกแบบเยอะปกปิดความอยากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เก่งๆพลาดมากกว่าคนที่ไม่เก่งเพราะคนที่ไม่เก่งแล้วก็ปัญญาไม่คก็ยดีครเหตุผลปกปิดกิเลสของตัวเองไม่ได้มันก็กลัวแล้วนระนองถอยไว้ก่อนแต่คนที่เก่งมีปัญญาดีมีเหตุผลมันท่าเหตุผลที่แหลมคมมาปกปิดความอยากแต่แยกมันออกระหว่างความอยากกับเหตุผลที่เราเองสร้างขึ้นมาะ เป็นธราอะไรไม่เป็นธรรมเราแย่ถ้าเราไม่ ป, น, ป น, นิพพานอีกทีแย่เลออกลองเหตุผลของกิเลสกับเหตุผลของความอยางหนึ่งแหลมคมต่างคนตางแหลมคม่างพุทธะกับ ม, มาหนึ่งแหลมคมพอๆกันแต่พุท ธ, ธาเนี่ยใช้ความฝึกุศลมา ก, ก่อนเลยชนะมารไปแต่บางเรื่องก็แพ้มารตรงนี้ในทุกเรื่อง น, นเรื่องควา ม, วามอยาก กิเลสกับปัญญาท่าจะว่าไปกิเลสกับปัญญานิทานหากับปัญญามีถ้าหากว่าเรามีกุศลเรามสามารถี่แปลงตัวตนิหาให้เป็นปัญญาได้ถ้ากุศลเราน้อยลงนิหานก็สามารถที่จะปัญญาสามารถที่จะถูกแปลงเป็นตัิหาได้ซึ่งตัวนี้ความลึกซึ้งความลุ่มลึกของพระธรรมวินัยเนี่ยมันมีหมหาศาลชีวิต ท, ที่ทั้งชีวิตเราศึกษาอยู่ก็ ดังนั้นเองผมก็ถ้าเป็นไปได้เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติเปพระกรรมฐารมีโอกาสสูงมากในการที่จะเปลี่ยนแปลงความอยากให้เป็นปัญญาแต่ใ น, นเมื่อเราไม่สามารถเอาชนะความอยากตัวนี้ได้ก็ตังไปกอนจนกว่าเราจะาเกิดปัญญามากขึ้นหรือเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดธรรมชาติมันสอน น, นั่นเองแต่ธรรมชาติมันสอนนั้นเจ็บปวดบางทีแก้ขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าหากว่ามีปัญญาเราสอนตัวเองเนี่ยมันสามารถแก้เคลืนได้แต่ธรรมชาติมันสอนระวิบากกมันสอนทั้งหมายความมันสั่งสอนความผิดเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเก็บรวมๆกันมาหมดเลยที่ที่มันจะเอาที่มันบอมทีเดียวเลยซึ่งตรงนั้นเราหมดโอกาสในการแก้แก้ตัวแต่ถ้าเรามีการศึกษาปิบัดเข้มมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะเห็นความเยีบยนตระหว่างความอยากกับปัญญา มันแลลมคงมากเรื่องนี้ผมไม่ได้นะักคิดเอาเองนะแต่ผมใช้าหารประสบการณ์บางตัวเข้ามาเสริมแล้วก็เรียนรู้จักมันบางทีเรื่องการนึกคิดคาดเราจากความผิดพลาของคนอื่นมันไม่พอครับแต่เราจะต้องลองพิดพลาดเองลองทาเองของทุกเองดูแล้วเราศึกษาจากมันแต่ตอนนี้ผมก็ไม่บอในเหตุการณ์มันรุกเกินไปจนที่จะอะย่อนคืนไม่ได้นะ พอเห็นแค่ว่ามันเสี่ยงตลาดมันก็ย้อนคืนแล้วก็ได้บทเรียนแล้วก็ได้บเรียนแล้ น, ลนมาสอนตัวเองแล้วก็สามารถช่วยคนอื่นได้มากทีเดียวจากประสบการณ์นี้ผมก็ถือว่าเสี่ยงและหลายอยา่างที่ผมเสี่ยงไปแต่ผมต้องการศึกษาเรียนรู้บาอย่างเสี่ยงแต่ผมก็ต้องการศึกษาเรียนราอย่างเสี่ยงมากเกินไปที่ไม่สามารถจะถอยกลับคืนได้ที่คนอื่นมีส่วนจะสร้างให้เราผมก็ไม่กด้ผมก็ไม่เสี่ยงอันนี้ เป็นเรื่องรายละเอียดคงไม่มีรวล า, จาเจรนายนะแต่ว่ามันเคยหามมาเพะนั่นเองถ้าเป็นไปได้นีอย่างกรณีของจา์สมปองเนี่ยถือว่าท่านมีพื้นฐานในความมั่นใจสูงแต่ความมั่นใจสูงนั้นไม่มีตัวปัญญาหรือกรรมฐานที่ลึกซึ้งพอรองรับเนี่ย ความมั่นใจนั่นแะมันแปลงมาเป็นความยากและความอยากก็แปลงมาเป็นความเครียดและความเครียดก็แปลงมาเป็นวิบากกรรมและวิบากกรรมก็ถูกสั่งสมและถูกสั่งสมไปถึงจุดหนึ่งที่มันมากพอมันก็ป๋อมเราและมองเราก็ปโดร้อนที่แก่ตัวนี้ผมก็เสียดายอาจะรย์มปองเขารู้วิบากกรรมนี้อาจารย์สมอาจารย์ศิยาเขาเหมือนกันก็เสียดายเขาถือว่าผมอาจจะมีส่วนในการร่วมดุลนั้น แต่ว่าผมไมได้ทําหน้าที่ควบคมเต็มที่ก็คือพยายามเปลี่ยนทำโดยตรงและดูอ่อนแต่ท่านเปลยเจตนาผมไม่ถูกกลายเป็นวิบากต่อไปอีกไม่มีครูอาจารย์คนไหนที่จะต้องการให้ผู้ที่มาเข้าปฏิบัติด้วยเป็นไปในทางที่ไม่ดีต้อการในทางดีแต่การเปลยเจดเปลยเจตนาเราผิดตรง น, นั้นก็ถืเป็นวิบากการรมเส ท, ท่านทั้หลายท่านเห็นผิดหอ ติดไปจากที่เราต้องการไม่ได้ น, นั้นก็ต้องไปรับอิปบาสเอาข้ามหน้าไปซึ่งถ้าไม่สามารถกลับคืนได้กหนักไปเรื่อยๆบางนี้ก็เป็นจะช่วยหน่อยบางทีทําหน้าที่ตรงนัน้นนั้นเองก็ในส่วนไหนคือถ้าหากว่าผมเหล็กแรกผมก็อยากเหล็กคน เ, เพราะว่าถ้าเป็นพระบ้านพระเมือพระทั่วไปผมพูด เ, เวรกเเพราะว่าเป็นวิสัยท่านท่านมองไม่เห็นตัวเองเลยแต่ถ้าเป็นพระกรรมฐานผมอยากจะเหรก เพราะอะเพราะว่าเราพอเร า, พอเราจะมาถึงจุด น, นี้ได้เนี่ยเราลงทุนในแง่ของการบวชในลงทุนอย่า ง, งี้ของการปฏิบัติลงทุนในแง่ของการสร้างฐานของตัวเองมามากพอสมควรถ้าเราไม่ทันต่อความอยากความอยากมันก็จะอยากขึ้นเรื่อยๆอยากขึ้นอยากจพิ่มเยอทั้งว่ามั น, มนครอบเราครอบเราก็โอกาสทีม่มันจะครอบปัญญาของเราของเข้ามาปัญญาของรเราถึงตับหา แต่ตรงนั้นเราก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดในชีว์เราเริ่มต้นรอบหนึ่งมาทั้งท่า ท, ที่เราสะสมมาเป็นที่หนึ่งร้อยแล้วเมื่อใกล้ถึงหนึ่งร้อยแล้วเราดูกๆไปเริเริ่มต้นใหม่ผเสียดายจนั้นแต่ว่าแต้มชีวิ ต, แ ต, ตกกแต้มชะตากรรมแต้มบุญวาสนาเเรามีความสามารถที่ามาเป็นตัวเลขได้ละเอียะดอ่อนอันนั้นก็จริงอยากจะให้พิจารณาเขาไม่ได้ห่างันอันนี้คแล้วแต่ บุญวัฒนาปัญญาของใครของมันถ้าผมห้ามแต่บุญวัฒนาปัญญาของท่านไม่พอท่านก็แปลเจตนาผมไม่ได้แต่ถ้าคุณเทียบเท่เล็กนิดหน่อยแต่บุญวัฒนาปัญญาพอวิบากกรรมไม่มากท่านก็สามารถจเปลี่ยนใจได้ซึ่งตรงนี้ผมไม่คือผมนิ้วอย่างคือผมไว้วางใจสติปัญญาของแต่ละคนและวิบากกรรมคือเรามองไม่เห็นว่าท่านสร้างบากรรมมานานแค่ไหนแล้วก็มองไม่เห็นว่าบุญวัฒนาที่ท่านสร้างมานี่มานมม่เข็ด ต้องใช้ไหนในมองไม่เห็นกันแบบเพราะนันะ้นเอาพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึงตัววัดเฉพาะหน้าซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเละอียดอ่อนมากในแง่ของผมก็รู้สึกโชคดีที่เขามาปฏิบัติแล้วก็อยู่รอดมาได้ขถานนี้เพราะว่า อ, อาศัยวิธีถ้าหากว่าอาศัยวิธีการอื่นผมก็จะไม่รอดเพอีสีปัญญาของเราไม่พอ แต่บ่าศัยวีการของหลวทีเนีเป็นเครื่องมือที่ทําให้พัฒนาอินทรีย์ของเราพัฒนาวา ส, สนาพัฒนาความเพียรของเราว่าเราพูดมีสติปัญญาแค่นี้มีบุญวา ส, สนาแค่นี้แต่อาศัยความเพียรที่เอือออเอ้อต่ออุปีิสัยเอื้อต่อกําลังอินทรีย์ของเราเมันก็เลยทําให้พัฒนาไปได้เรื่อยเรย เพราะนั้นผมก็ไม่อยู่ยั้งในการที่ศึกษาปฏิบัติแต่ในที่มันเป็นปัญหาแล้วไปสักขัดความต้องการพัฒนาโดยเองผมจะพยายามไเกลี้ยงแต่ในผมต้องการที่ศึกษาเป็นผูน้เรียนเพื่อช่วยขุดค้นลึกหไปในสีป่ปัญญาของตัวเองแล้วก็สามารถเอาประสบการณ์นั้นไปสอนไปช่วยคนอื่นได้ผมก็จะพยายามศึกษาต่อไปครับเพรการศึกษาที่แท้จริงนั้ไม่ได้อยู่ในตำราแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้อง ซึ่งสามารถมีได้ตลอดเวลาประสุการปร <c oughs> สุการณ์การกินการอยู่จะสิอิสัยด์ดูดหนึ่งที่ผมแก้ผมเองยากมากคือความรีบร้อความสับเราและความไม่แยกขายซึ่งเป็นอิสัยด์ดังหรือของเราตัวแก้ยาก ม, มากแต่ผมก็พยายมมาตลอดพนะยายามตลอดจนกระทั่ปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่พอใจในจุดนี้อยู่ผมจะพยายามต่อไป ซึ่งถ้าเอาย่ามได้อย่างจันทร์ภัยถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากใหฝึกเพราะว่าจันทร์ภัก็ยังมีขอ้อที่จะต้องแก้ไขหลายหลาอย่า ง, อ, งอยากจะให้พัฒนาภูมิธรรมอุปัญญาร่วมกันไปแล้วก็ในแง่ของการบริการเรื่องรถเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ไปถ้าจําเป็นจริงๆแล้วก็สามารถขอร้องครวาครวญาที่เข้ามาบริการเราได้อีกแล้วทึ่งมันมีอันไหนที่มันมีทางออก ผมก็จะไม่เสียงด้วยตัวเองในที่มันหาทางออกไม่ได้ต้อเสียงอันนี้ก็จำเป็นที่สุดเนะพราะเราจะต้องการที่จะรักษาผมทำภูมิปัญญาวาาัฒนธรรมบวลมิที่เราสร้าง ม, มาดีแล้วเนะี่ยมันเติบโตยิ่งขึ้นไม่อยากจะให้มันเี่ยวเฉาหรือว่าเสียไปโดยที่ไม่จำเป็นถ้มีทางออกเลือกเงินได้เราจะทําเลือกเงินเข้ามาช่วยมากกว่า <c oughs> น, นั้นเองอันนี้แล้วแต่นะครับพรา่า แต่ก็เี่ยากจะบอกกันแต่ส่วนจะฟังไม่ฟังอีกเรื่องขึ้น อ, อยู่กับเมื่อนไขาทางศีลปัญญาบุญวิสนาและวิบากกรรแต่ละคนอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ใ น, นเงีประสบการณ์ชีวิตผมก็ดูดูเขาดูเรานะดูเขาเรามาตลอดแล้วก็นำเอาประสบการณ์เรานารารั้นมาพัฒนาตัวเองก็ทําให้ผมมีการได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาระดับระดับหนึ่งนะแล้ก็ชื่อในคนได้บ้าง ยิ่งเราพัฒนาเรื่องได้ลมากเท่าไรเราจะช่วยเหลือค น, อนได้มากขึ้นอย่างในช่วงนี้ผมนำประสบการณ์ของพระชาะมาเปิดให้ฟังคนก็ตั้งใจฟังคนมากั้งใจฟังอันนั้นก็เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบพร ะ, ระธรรมทานมาว่าถ้าเข้มงวดกับตัวเองมาก่อนั้นวันปลายสามารถช่วยคนฟังความได้มากแค่ไหนทั่วโลกอันนี้ก็ชีวิตหนึ่งท่านก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่ง ทำมเราจึทำเหมือท่านบางไปได้หรือจะทําอย่างท่านบางมาได้ก็มาเปิดให้ฟังศึกษากันแง่มไหนที่เราจะพอทําได้ก็ทำแง่มไหนที่เราทําไม่ได้เราก็ฝึกฝนปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นในการนํามาเปิดโดยเฉพาะหลวงพ่อชาหลพ่อเทียนหลวพอคุณธาตั้งสามท่านนี้ผมให้ความสําคัญสูงมากเพราะว่าท่านศึกษาชีพด้วยประสบการณ์แล้วก็ ในส่วนไหนที่เป็นธรรมะถึงจะดีขนาดไหนแต่มันใกล้ตัวผมก็ไปไม่เสีอเวลาฟังเท่าไงเพราะมันใกลตัวระสิ่งที่ใกล้ตัวเป็นประสบการณ์จริงของของท่านอนั้นมาศึกษาอันั้นยังมีอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่ยที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ ง, งถ้าหากว่าเราไปสนใจเรื่องยากๆแล้วก็อยากหาในส่วนรายละเอียดมากเกินไปไดยเฉพา ะ, ะ อ, อย่างยินงการประลุความเขียนช่วยเราได้เยอะ คงเรียว่านึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าวิริยณะทุกมัจเจติคนเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรแต่ถ้าไม่ใช่คําว่าปัญญาญาความมัจเจติว่าคนจะพ้นทุกข์ด้วยปัญญาแต่มันใช้คำว่าปัญญายาบริสุทธิ์คนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านใช้ปัญญาเพื่อขัดเกลาใหบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์นั้นถ้าว่ามันไม่มีความเพียรก็พ้นทุกไม่ได้เพราะฉะกถือเอาความเพียรเป็นหลักไว้ก่อน ข้อปราญญาแต่ละคนไ ม, ม่เท่ากันแต่ความเพียรแต่ละค น, นถ้ามีพลังกำลังก็สามารถทำให้เท่ากันได้ในะสายความอดทนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องศึกษาครับโดยเฉพาะเรามีการมาอยู่ที่อเมริกานี่เราอยู่บ้านเราคนแค่หกสิบกว่าล้านคนแต่ที่นี่เรามาอยู่กว่าคนสาม้กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเรามีอะไรให้ศึกษามากมายมหาศาลที่ผมว่าเป็นโชคดีของเราแหละที่ามาศึกษา แต่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาปรุงทำปรุงปัญญาวาฒนารตัวเองหรือว่าเราจะประสบการณ์ อ, ออกมาเผาตัวเองอันนี้ก็แล้วแต่สิ่งประยามแต่เราคนเหมือนกันเราค น, นา ม, มันชี้นำเมือนกันลึคนดีไม่ได้คนมัน้นเด็ดหรเป็นเรื่องที่อยากจะให้อเอาสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภมากกว่าที่จะเอามาฝุ่นให้ไหลาตามโลกภายนอกนะครับแล้วผมฟังคาพูดของวิาชาคขานึ่งนา่าคิด ม, มากท่านบอกว่าข้าวกับทีเนี่ยมันคเดียวกันไอตอนที่มันขับตอนที่มันตอนที่มันข้าวมันเป็นข้าวตอนที่มั น, น, ม น, ม น, ม น, มนออกเป็นขี้ มันเดียวกัน น, นวะว่าแต่ว่าเรามีชัศนกติต่อข้าวจากเดียวคนละอย่างเรามีทัศนคติต่อการต่อข้าวที่เรากินอาจจะลอยช่วยกินแต่มันเข้าไปแล้วมันทําหน้าที่ของมันแล้วมันออกมาเป็นคนละนึง่งเราทั้งกลัวทั้ ง, งเกลียดทั้งอะไรต่อมันฉันใดก็ดีเพว่าชีวิตของเราเนี่ย ธรรมะกิเลสบาครงมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราที่มันเข้าไปแใกมันถูกต้องมันเป็นมันเป็นธรรมะแต่เมื่อมันเข้าไปแล้วเราใช้มันไม่ถูกหรือเราใช้มันไม่เป็นมันก็กลายเป็นที่กิเลสมันกิเลสธรรมะเป็นอันเดียวกันมันเข้าจานเดียวกันได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนถ้าหากว่าระบบการย่อยเราดี ตัวข้าจะให้ประโยชน์กับออกมาเป็นของเสียเป็นธรรมชาติเป็นหลักของธรรมชาแต่ถ้าหากระบบการย่อยเราไม่ดีอาหารที่เข้าไปก็ทาให้เราเกิดโรคไปไตเจ็บแล้วว่ามันก็กลายเป็นส่วนที่เป็นอุศุนนั่ว่าอุศุนอุศุนก็เป็นสีเดียวกันทั้งว่าไปเป็นจานเดียวกันแต่ว่าระบบการย่อยประโยชนที่สูงและยสี่การก็คือระบบการย่อยทั้งหมดสามารถจะเปลี่ยนอกุศุ น, นเป็นกุศุนได้สามารถเปลี่ยน พิสูจน์ไ้เป็นอันสูได้ไหมเพราะฉะนั้นในเขาพูดของท่านคำเดียวกกเดียวผมจับขึ้นได้ว่ามรนก็ใช้ลึกซึ้งมากนะคำพูดเลยชอบฟังหลายหลายรอบหลายๆครั้งแล้วฟังแตนรอบไปหล า, ลหลาครั้งนี่มันได้เกร็ดได้เบียดได้สธิปัญญาได้รมากมายที่จะนำไปอบรมสับสอนหรือมาอบรมสับสอนตัวเองก่อนนะจนกระทั่งได้ผลี่สูจออกมา ก็จะนําไปใช้กับการอยู่โดยเฉพาะอในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกุก็จะให้ความสําคัญทั้งสองส่วนดนแต่ละด้านส่วนที่สุขภาพจิตก็พัฒนาภูมิทั้งภูมิปัญญาได้กันใช้หลักของสูจิบุริแล้วก็ในส่วนสุขภาพกายผมก็จะพยายามพัฒนาเรื่องการดูแลตัวเองรออกกรลังกายการศึกษาโยคะการฝึกชีกรมการฝึก กกำลังกายทุกรูปแบบต่างๆให้เป็นผลกระดูกก่อนแล้วก็ค่อยๆนำไปค่อยแพรไปขยายกับผู้ที่จะช่วยเหลือมันเป็นปัญหาของยุคสมัยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเราต้องเป็นไปได้ในเช้าๆนี้ก็ขอเสนอทุกท่านี้ความมุ่งมั่นสร้างทุกท่านในความรู้กันขอให้นำใจขอให้นำไปคิดพิจัยนะตามจิตใจของทุกท่านกระดาบของ มาสัมพโวพุทังภะะวันตังอะิวะติสุขะโตภะวะตาระมุอะมนะมสสัสุบัติปัง ข้าวตัวสาวกสังโฆสัง